อิทธิปาทะสั่งยุติประมวลเรื่องอิทธิบาทสี่คือธรรมะอันให้บรรลุความสำเร็จสี่ประการอิทธิบาทสี่หมายถึงฐานหรือหนทางสู่ความสำเร็จหรือคุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จคุณเครื่องสำเร็จสมประสงค์ทางแห่งความสำเร็จคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มีสี่ประการคือฉันทะความพอใจคือความต้องการที่จะทำใยใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปวิริยะความเพียรคือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาทุระไม่ท้อถอย จิตตาความคิดคือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักไฟไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าเลื่อนลอยไปวิมังสาความไตรตรองหรือทดลองคือหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาไกรกรวนตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้นมีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้นพระผู้มีพระภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอิทธิบาสีประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้อิทธิบาสีประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบา ที่ประกอบด้วยชันทะสมาธิประธานสังขารสม า, airport. สมาธิที่เกิดจากชันทะและความเพียรที่มุ่งมัน่นเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรที่มุ่งมัน่นเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรที่มุ่งมัน่น จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานนสังขารสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรที่มุ่งมัน่นอิทธิบาทสี่ประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่านึงพลาดแล้วอริยมากที่ให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วส่วนอิทธิบาทสี่ประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่านึง ปรารบแล้วอริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารบแล้วอิทธิบาทสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นอริยะเป็นนิยานิกธรรมนำออกไปเพื่อให้สิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้บาเพ็ญอิทธิบาทสี่ประการนั้น อิทิบาสีประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่านึงในอดีตการได้ทำฤทธิ์บางอย่างให้สำเร็จได้ก็เพราะอิทธิบาสีประการ ที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตตการในปัจจุบันการย่อมทำฤทธิ์บางอย่างให้สาเร็จได้ก็เพราะอิทธิบาทสีประการที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตตการ ในอนาคตตการในปัจจุบันนการย่อมทำให้แจ้งเจตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันก็เพราะอิทิบาทสี่ประการที่ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วภิกษุทั้งหลายอิทิบาทสี่ประการนี้ <Hoch osi> คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยชันทะสมาธิประธานนสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานนสังขารด้วยจิตตะสมาธิประธานนสังขารด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้เป็นอิทธิบาต ท, ที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารก็อิทธิบาต ท, ที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขานี้ควรเจริญและอิทธิบาต ท, ที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขานี้เราได้เจริญแล้ว และโดยในยะเดียวกันอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานนสังขารและที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารก็เช่นเดียวกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยูนน่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค รักับท่านพระอานุ์ดังนี้ว่าอานุ์อิทิบาสีประการอันบุคคลใดบุคคลหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมันสั่งสมปรารบดีแล้วบุคคลนั้นเมื่อปรารถนาก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตลอดกับหรือมากกว่านั้นสำหรับคำว่ากับในที่นี้หมายถึงอายุกับของมนุษย์ ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นนั้นตัวอย่างมนุษย์ในยุคพุทธกาลนี้จะมีอายุประมาณหนึ่งร้อยปีแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทำนิมิตที่ชัดแจ้งโอภาษ ท, ที่ชัดแจ้งอย่างนี้ท่านพระอานท์ก็ไม่อาจรู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนอยู่ต่อไปตลอดกับเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะชาวโลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งนี้เป็นเพราะท่านถูกมารดนใจแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็เช่นเดียวกันครั้นเมื่อท่านพระอนุ์จากไปไม่นานมารผู้มีบาปก็เข้าเฝ้ากราบทูลขอให้พระองค์ทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิดเพราะพระผู้มีพระภาคเคยตรัสไว้ว่า จะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนําไม่กล้าวกล้าไม่เป็นพระหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็ยังบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจําแนกทําให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดงทำมีปาฏิหาริย์ปราบปรบว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำไม่ได้แต่เวลานี้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคทำสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดแล้วขอพระผู้มีพระภาคโปรดป ร, รินิพานในบัดนี้เวลานี้เป็นเวลาป ร, รินิพานของพระผู้มีพระภาคแล้วเมื่อมานทูลอารัธนาอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเธออย่ากังวลเลยอีกไม่นานการปรินิพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปเพียงสามเดือนตถาคตจากปรินิพาขนขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงกรงพระชนมายุสังขารณปาวาลาเจดีได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หน่าสะพรึงกลัวให้เกิดขนพองสยองกล้าว ทั้งกล่องทิพย์ก็ดังกึกก้องลำดับนั้นพระผู้มีพระ ภ, ระภาคทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่ามุนีละกรรมทั้งที่ช่างได้และช่างไม่ได้อันเป็นเหตุก่อกำเนิดเป็นเครื่องปรุงแต่งพบได้แล้วยินดีภายในตนมีใจมั่นคงทำลายกิเลส ท, ที่เกิดในตนได้เหมือนนักรบทำลายเกราะเสียชะนนั้น ว่าด้วยพระดำริก่อนตรัสรุ้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการเจริญอิทธิบาทภิกษุทั้งหลายต่อมาเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยชันทะสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าชันทะของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ในภายในไม่ซ่านไปในภายนอกและมีความหมายรู้เบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้า เบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ในที่นี้หมายถึงทำจิตให้สว่างด้วยทิพจักขุยานและโดยในยะเดียวกัน เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าวิริยะของเราจะไม่ย่อหย่อนนักจิตของเราจะไม่ย่อหย่อนนักวิมังสาของเราจะไม่ย่อหย่อนนัก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 เหมือนไปในที่ว่างก็ได้หุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีริ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปจนถึงพรมโลกก็ได้ เมื่ออิทธิบาทสประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แหลทําให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เมื่ออิทธิบาทสประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แหลทําให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุย่อมกําหนดรู้จิตของสัตว์บุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตน คือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะเป็นต้นเมื่ออิทธิบาทสี่ประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับ หรือวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าพพโนนเราได้มีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวันนะมีสุขทุกอย่างนี้จุติจากพบนั้นไปเกิดในภพโนนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีสุขทุกอย่างนั้นเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวะประวัติอย่างนี้ด้วยประการฉนี้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 และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เธอเห็นหมูสัตว์คู่กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล เมื่ออิทิบาสีประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายอิทธิบาสีประการที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากถ้าภิกษุอาศัยชันทะแล้วได้สมาธิได้จิตเตกัขคตาคือสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวนี้เรียกว่าชันทะสมาธิเธอสร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น เพื่อละบาปากุศลละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทํากุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความดํารงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพภัยบุ์เจริญเต็มที่แห่งกุศลลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารฉันทะสมาธินี้และประธานสังขารเหล่านี้ดังพันนามาชนนี้ นี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารและโดยในยะเดียวกันถ้าภิกษุอาศัยวิริยะแล้วได้สมาธิได้จิตเตกัคคตานี้เรียกว่าวิริยสมาธิถ้าภิกษุอาศัยจิตตะแล้วได้สมาธิได้จิตเตกัคคตานี้เรียกว่าจิตตะสมาธิ ถ้าภิกษุอาศัยวิมังสาแล้วได้สมาธิได้จิตเตกักตานี้เรียกว่าวิมังสาสมาธิเธอสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพภัยบุญเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยสมาธิประธานสังขารว่าด้วยพระโมคคัลลานะแสดงฤทธ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของนาวิสาขามิขารามาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากอยู่ภายใต้ปราสาทนั้นเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรือ่อหลงลืมสติไม่มีสัมปัตชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งไม่สารวมอินทรีย์ ครั้งนั้นพระผู้มิพระภาครับสั่งเรียกท่านพระมหาโมคคลานะให้ไปตักเตือนภิกษุเหล่านั้นตรัสให้ทำภิกษุเหล่านั้นให้สังเวช ท, ท่านพระมหาโมคคลานะคุณรับสนองพระดํารัสแล้วสแสดงอิทาพิสังขารให้ประสาทของนางวิสาขามิขารมาตาสะเทือนสถานวันไว้ด้วยนิ้วหัวแม่เท้าทีนั้นภิกษุเหล่านั้นตกใจ ขนพองสยองกล้าวแล้วพากันพูดว่าลมก็ไม่พัดทั้งปราศาทนี้ก็มีฐานลึกฝังเว้นแน่นไม่โยกคลอนเมื่อเป็นเช่นนี้คงมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ปราศาทนี้สะเทือนสะท้านวันไหวต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสให้ภิกษุทั้งหลายนั้นรู้ว่าเป็นเพราะภิกษุโมคลานะประสงค์จะให้เธอทั้งหลายสังเวช ภิกษุโมคลานะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะอิทิบาส4ประการที่ภิกษุโมคลานะเจริญทำให้มากแล้วอิทิบาสีประการอะไรบ้างคือภิกษุโมคลานะเจริญอิทิบา ท, ที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทิบา ท, ที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานนสังขาร ที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาของเราจากไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประครับประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่ส่านไปในภายนอกและมีความหมายรู้เบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้า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 ว่าด้วยอุณาภาพรามสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่โครสิกตารามเขตกรุงโคสัมพีครั้งนั้นอุณาภาพรามเข้าไปหาท่านพระอานนท์แล้วถามดังนี้ว่าประพฤติปรมจักรในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไรตอบว่าเพื่อละฉันทะถามว่า มีมกักมีปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นอยู่หรือไม่ตอบว่ามีอยู่คือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารที่ประกอบด้วยจิตตาสมาธิประธานสังขาร ที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารนี้แหละคือมัคคือปฏิปทาเพื่อลักันทะนั้นพรามกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้จันทานั้นยังมีอยู่มีใช่ไม่มีเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะละฉันทะด้วยจันทะนั่นเองพรามถ้าอย่างนั้นเราจากย้อนถามท่านในเรื่องนี้ ท่านถึงตอบเรื่องนั้นตามที่ท่านพอใจเถอะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเบื้องต้นท่านได้มีฉันทะคือความพอใจว่าจะไปอารามเมื่อท่านไปถึงอารามแล้วฉันทะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปหรือไม่ตอบว่าเป็นอย่างนั้นและโดยในยะเดียวกันในเบื้องต้น ท่านได้มีวิริยะคือความเพียรมีจิตตะคือความใส่ใจมีวิมังสาคือความไตรตรองว่าจะไปอารามเมื่อท่านไปถึงอารามแล้ววิริยะจิตตะวิมังสาในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปใช่หรือไม่ตอบว่าเป็นอย่างนั้นพราหมณ์อย่างนั้นเหมือนกัน ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีนาศพอยู่จบรมอาจารย์แล้วสิ้นภาวะสังโยชนแล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นในเบื้องต้นได้มีฉันทะเพื่อบ ร, รุอรหัดเมื่อบ ร, รุแล้วฉันทะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปในเบื้องต้นได้มีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสา เมื่อบรรลุอรหัตแล้ววิริยาจิตตะวิมังสาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปพราหมณ์เมื่อเป็นดังที่กล่าวมานี้ฉันทะเป็นต้นนั้นยังมีอยู่หรือไม่ใช่ไม่มีพราหมณ์ตอบว่าท่านอานน์เมื่อเป็นเช่นนี้ฉันทะเป็นต้นนั้นยังมีอยู่แน่นอนไม่ใช่ไม่มี แล้วกล่าวสรรเสริญภาสิทธประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสรณะสูงสุดตลอดชีวิตว่าด้วยการแสดงอิทธิฤทธิ์เป็นต้นภิกษุทั้งหลายหรัจากแสดงอิทธิอิทธิบาทอิทธิบาทภาวนาและปฏิปทาที่ให้ถึงอิทธิบาทภาวนาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง อิทธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายเป็นจนถึงโพรโมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิอิทธิบาทเป็นอย่างไรคือมักใดปฏิปทาใดเป็นไปเพื่อได้ฤทธิ์เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธิ์นี้เรียกว่าอิทธิบาท อิทธิบาทภาวนาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารจิตตะสมาธิประธานสังขารวิมังสาสมาธิประธานสังขารนี้เรียกว่าอิทธิบาทภาวนา ปฏิปทาที่ให้ถึงอิธิบาทภาวนาเป็นอย่างไรคืออริยามรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี้เรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงอิธิบาทภาวนา ว่าด้วยการจำแนกอิทธิบาทภิกษุทั้งหลายอิทธิบาตสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสงมากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาตประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขาร ด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารเจริญดังนี้ว่าฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่ส่านไปในภายนอกและมีความหมายรู้เบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลัง เบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ฉันทะที่ย่อหย่อนนักเป็นอย่างไรคือฉันทะที่สหรคตะด้วยความเกียรคร้านสำปรยุทธ์ด้วยความเกียรคร้านสหรคตะคือร่วมด้วย สัมปยุตคือประกอบด้วยฉันทะที่ย่อหย่อนนักคือฉันทะที่ร่วมด้วยความเกียร์คร้านประกอบด้วยความเกียดคร้านนี้เรียกว่าฉันทะที่ย่อหย่อนนักฉันทะที่ต้องประครับประครองเกินไปเป็นอย่างไรคือฉันทะที่ร่วมด้วยอุทธจจะสัมปยุตคือประกอบด้วยอุทธจจะ ชันทะที่หดหูในภายในเป็นอย่างไรคือชันทะที่สหรัตตะด้วยทีนะมิทะคือความเชื่องซึมง่วงเหงาหาวนอนหดหูสำปยุตคือการประกอบด้วยทีนะมิทะนี้เรียกว่าชันทะที่หดหูในภายในชันทะที่ซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือชันทะที่ซ่านไปฟุ่งไป ปรารบกามคุณห้าประการในภายนอกนี้เรียกว่าฉันทะที่สร้านไปในภายนอกภิกษุมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอันภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนดีใส่ใจดีทรงจำดีรู้แจ้งดีแล้วด้วยปัญญา ภิกษุมีความหมายรู้ว่าเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนอยู่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณากายนี้ขึ้นเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปพิจารณาลงเบื้องล่างแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในร่างกายนี้มีผม ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเลือดเหงือ่อน้ำลายน้ำมูกไขข้อเป็นต้นภิกษุมีความหมายรู้ว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนอยู่เป็นอย่างไรคือภิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารในกลางวันด้วยอาการเหล่าใดด้วยเพศเหล่าใดด้วยนิมิตเหล่าใดเธอก็เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารในกลางคืนด้วยอาการเหล่านั้นด้วยเพศเหล่านั้นด้วยนิมิตเหล่านั้นอีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารในกลางคืนด้วยอาการเหล่าใดเธอก็เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารในกลางวันด้วยอาการเหล่านั้นภิกษุมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่เป็นอย่างไรคืออาโลกัสัญญาความหมายรู้แสงสว่าง อันภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนไว้ดีความหมายรู้ว่ากลางวันตั้งมั่นดีและโดยในยะเดียวกันวิริยะจิตตะวิมังสาพึงแจกแจงเช่นเดียวกับเรื่องของฉันทะภิกษุทั้งหลายเมื่ออิทธิบาสีประการนี้ที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงมีผลมากมีอานิสง์มากภิกษุย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างและทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนเหล็กที่ถูกไฟเผาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นท่านพระอานนอนเข้าเฝ้าทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงทราบอยู่หรือว่าพระองค์มีพระวรกายเป็นมนุษย์ไทยส่งเข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ์ตรัสตอบว่าทราบอยู่ทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงทราบหรือว่าพระองค์มีพระวรกายที่ประกอบด้วยมหาพูตรูปสี่นี้ส่งเข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ์ ตรัสว่าทราบอยู่ท่านพระอานนท์จึงแสดงความอัศจรรย์ใจในเรื่องนี้ตรัสว่าอานนท์ประตถาคตทั้งหลายเป็นผู้อัศจรรย์และประกอบด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์เป็นผู้ไม่เคยมีและประกอบด้วยธรรมะที่ไม่เคยมีสมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกาย ก้าวลงสู่สุขสัญญาคือความหมายรู้ว่าสบายและละหุสัญญาความหมายรู้ว่าเบาในกายอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมเบากว่าอ่อนกว่าควรแก่การงานกว่าและผุดพ่องกว่าเปรียบเหมือนก้อนเหล็กที่ไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมเบากว่าอ่อนกว่า ควรแก่การงานกว่าและผุดผ่องกว่าเช่นกันสมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมลอยจากพื้นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยตถาคตย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายซึ่งเบาถูกลมพัดก็ลอยจากพื้นดินขึ้นสู่อากาศโดยไม่ยากเลยว่าด้วยผลแห่งการเจริญอิทธิบาทภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทสี่ประการนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ จเจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยชันทะสมาธิประธานสังขารด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารเพราะอิทธิบาทสี่ประการนี้ที่ภิกษุนั้นจเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทาเหลืออยู่ก็จักเป็นพระอนาคามีภิกษุทั้งหลายตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะอิทธิบาสสี่ประการที่ตถาคตเจริญทำให้มากแล้วคังคาไปยาละวัคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำคงคาหลายไปสู่ทิศปราจีนบาหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอิทธิบาทสี่ประการทำอิทธิบาทสี่ประการให้มากยอมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายอุทธรรมภากียะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องสูงห้าประการ ได้แก่รูปราคะอารูปราคะมานะอุทธจัจจะและอวิชชาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาทรสประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทมภาคียะสังโยชนห์หประการนี้อิทธิบาทรสประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาท ที่ประกอบด้วยชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสมาธิปธานสังขารภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาทสีประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุธรรมพาคิยะสังโยชน์5ประการนี้จบอิทธิปาทสังยุต